อัลลอฮ ل อัลลอฮ์ซอ ن ا ل บิ ا ลาฮิ ا ل ل า م ัย ل านอ ا ลรจิมบิสมิลล ل ฮิ ل ลอฮ์มานีลอร ل ิม د l ل a m d u l i l l a ر ب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إ ل َ ن ا อิ ا ลามัลลัตนาอิ ت นคอันَ์ละไงมุล حكيم รับชรพล ي َัตเรียวยสึรْิอ ي ม ل ีวะฮลูลักดะตَมْลิสานีَัฟห์วควุลี ن ัลล ع ฮฺมันฟะเนบมาลลَตนา ع ล ن ลัมَาไม่ ن ุ่งกับเราและَราได้รับความรู ن รับบา ن ั้นกลับมาของเราเองและَ้าคุณไม่เชื่อเราและกรุณาเรَเราจะไม่เป็นผู้แพ้ อัลเบน่าเอตินาหมิลล์ดุนคาระห์มะตะนูอิรอัลฮัมดุลิลลาฮินองครับสกิดใจสกิดเตือนกันสักนิดนึงนะครับว่าถ้าดูปฏิทินเนี่ยเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนรัจับนะถ้าดูปฏิทินนะถ้า แต่ว่าต้องรอประกาศจากทางหน่วยงานสำนักจุฬาอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่หนึ่งเดือนรอจับจะตรงกับวันไหนนะครับการเข้าสู่เดือนรอจับเนี่ยแน่นอนมันทําให้เรานึกถึงเดือนระมณฑลเพราะว่าเดือนรอจับเสร็จก็จะเดือนชะบานสองเดือนแล้วนะครับก็จะถึงเดือนระมณอนมาชงศรัลล๊า Allah الحمد لله شكر ์ الله سبحانه وتعالى เป็นการสะกดนะครับเตือให้พวกเราได้เตยมตัวเตยมใจอินชาอัลล์เข้าสู่เทศกาลหรือว่าฤดูกาลแห่งการที่เราจะได้ทาอาลอิบัตห์ในรอมฎอนปีนี้อินชาอัลลอฮ์อย่างเต็มที่ในช่วงของการเข้าสู่โหมดอิบดตห์อ o الله سبحانه وتعالى ด้วย รูปแบบต่างๆในการทำอิบาดาที่มากมายนะครับในช่วงเดือนอันประกอบหัวใจของเราแน่นอนว่าย่อมต้องอยากที่จะเจ อ, เจอกับเดือนร ر ม ض ا ن ทุกครั้งที่มันมาเยือนพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้เรามีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีร่วมกันต้อนรับเดือน رمضان อีกครั้งในปีนี้ที่อิสนิลลอฮ์ะการเรียนการสอนของเราก็คงจะพยายามให้จบ มำเลยนะครับให้จบก่อนที่เดือนร ر م ض อนจะมาถึง بإذن الله า ب ح ا ن ه وتعالى วันนี้นะครับสุรุตุ้ยซุครุฟตอนที่สามเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายที่สิบห้าไปจนถึงอายที่ยี่สิบอายที่สิบห้าจนถึงยี่สิบเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากการ พูดถึงนิสัยของพวกรกนนอมุเลลาฮนดาริกนพวกมุชริกีนที่ไม่ยอมรับอัลกุรอานุลกเรียปฏิเสธวัลฮิวกะอัลลอฮซุบฮานะวะตะล่าั้งๆที่พวกเขานั้นยอมรับอัลลอฮ์ในเรื่องของรูบบยะแต่ไม่ยอมรับอัลลอฮ์ในเรื่องของอัลอุลูฮยะยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะลาเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง แต่ไม่ยอมรับอ Allah ในฐานะผู้ที่จะต้องได้รับการเคารพปักบีอิธรรมต่กเพียงพระองค์เดียวนี่คือนิสัยของพวกมุชริกอินวันนี้ยังมีนิสัยบางบางอย่างเพิ่มเติมพูดถึงนิสัยเสียนิสัยที่เลวซามพฤติกรรมที่บางทีไม่ใช่เฉพาะเป็นนิสัยที่เลวร้ายเลวซามอย่างเดียวแต่เป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันเองขัดแย้งในตัวมันเองมาดูกัน คนเวลาที่มันมีชีริกเนี่ยมันสับสนมันมั่วไปหมดจับนู้นจับอันนี้นะครับตอนแรกว่าอย่างนั้นแล้วพอมาทีหลังว่าอย่างนี้นี่แหละนะครับคนที่ไม่มีเต้าฮิดคนที่มีอัฟเตดะไม่มีเต้าฮิดมีแต่ชีริกเนี่ยชีวิตก็จะสับสนสับสนทั้งเรื่องอัฟเตดะสับสนทั้งเรื่องอิบะดาสับสนทั้งเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันทุกเรื่องถ้าไม่มีอัฟเดะที่ถูกต้องเนี่ย พฤติกรรมที่แสดงออกมามันก็จะติดเพี้ยนมันก็จะปั่นป่วนสับสนเหมือนกับนิสัยของพวกมุชริกีนเหล่านี้มาดูกันนะครับข้อที่สิบห้าเป็นต้นไปจนถึงยี่สิบ วَาจัล ا له َُ مِنْ عباد ِห์จุ๊ซ่าอินน์อَนสานักฟุรุบิน أم َّ خذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا َ بشِرَ ُ أحدُهُ بما ضَرَبَ للرحمن مثلاً َ <ت ص في ق> ل ّ وجهُهُ مُسْوَدَّ กวหนึ่งอวมัยนชชอในพีย์และขึซไม่รบ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إ ِ ن <اث> َّ ه <ا> จะ شهدو خلقهم <ت ص في ق> ستكتب شهادتهم ويسألون <ت ص في ق> وقالوا لو ش เราด็นาพวก a ขาไม่เหลืออะไรจากนั้นแต่เพียงแ รสัลลอัลลลลอฮฺอัอฮฺอัอัลลลอฮฺอัลอฮฺอัลฮฺอลอฮอัลลอฮัลอัลลอฮฺอะออัลลอฮฺอัออัลลอลััอ นิสัยของพวกมุชริกีนหรืออกีดะอันผิดเพี้ยนของพวกมุชริกีนนั่นก็คืออัลลอฮฺ تعالى นั้นมีบุตรมีลูกอันนี้พวกมุชริบกินก่อนนะคือปกติแล้วเราได้ยินว่าอคิดะของนักสรอจะบอกว่าอัลลอฮฺ تعالى มีลูกพระอัลนบีอิสาเป็นเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นลูกของอัลลอฮ์อันนี้คืออคิดะของนัสรอ แต่อัคติได้ของพวกไม่ชริกินมักกะเองนี่ยก็มีความเชื่อที่ว่าอัลล์มีลูกอัลลอฮ์สุบฮานะฮตอบใช่ไหมดังนั้นนะครับเอามาคลูกของพระองค์เนี่ยมากล่าวอ้างว่าเป็นลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลา ยุ้อคคำว่ายุ้เอเนี่ยในที่นี้หมายถึงเป็นส่วนหนึ่งของ Allah ก็คือเป็นลูกของพระองค์กล่าวหากล่าวอ้างแข่งไม่ไหวเ <laughs> สียงก็ไม่มีแข่งกับเชยงฝนไม่ไหวละอิละฮะอิละลลอห์ละจารุละห์มิ่อิบะดีจุ้ยเอ الم ด ال ุไปจุลชีอัลวัลเดแล้วอ้างว่าหลั ل ฐานนี้ไม่รู้อินน์อินซานะลักฟร์มูีทล่วมนุษย์ปฏิเสธการท้าาลลซุบไานะฮฺวะตะอาลาเป็นพวกที่กูฟอร์อย่างชัดเจน ละเอาละวาละกูอัติอัลบัลละกูฟอร์เนี่ยกูฟอร์ชัดเจนเลยไม่ได้แอปไม่ได้ไม่ต้องไปเที่ยวขุดคุยหาว่ากูฟอร์อยู่ตรงไหนพฤติกรรมที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางความคิดพฤติกรรมทางาการปฏิบัติทางคำพูดเนี่ยส่อให้เห็นถึงกูฟอร์ที่ชัดเจนพูดแบบนี้เนี่ยกูฟอร์แน่นอน การกล่าวอ้างว่าอัลลอฮฺมีบุตรมีลูกเนี่ยเป็นพฤติกรรมกูฟอรที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยละฮาวลาโลากูตัออลลอบิลละยังไม่พอนะกล่าวอ้างว่าอัลลอฮฺมีลูกยังไม่พอลูกที่อัลลอฮฺมีเนี่ยเป็นลูกผู้ชายหรือเป็นลูกผู้หญิงสุบฮานัลลอฮฺละฮาวลวลากูตัออลลอฮบิลละ เรารู้กันว่าพวกโปรไธชหรือพวกมุชลิกีในสัยไหของท่านนาบีเนี่ยเกลียดลูกสาวหรือว่าเกลียดลูกชายเกลียดลูกสาวอารับไม่ชอบลูกสาวเพราะอะไรเพราะมองว่าลูกสาวเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้คนอารับโดยวัฒนธรรมโดยประเภทนี้ของคนอารับเนี่ยสู้รบกันเป็นเรื่องปกติ เผ่านี้รบกับเผ่านี้แล้วเวลาเผ่าสองเผ่าไปรบกันเนี่ยถ้าสมมติเผ่าไหนแพ้ผู้หญิงที่อยู่ในเผ่าที่แพ้เนี่ยก็จะต้องกลายไปเป็นเฉลยต้องไปเป็นทาสให้กับเผ่าที่ชนะดังนั้นลูกสาวของตัวเองหรือผู้หญิงของตัวเองที่กลายไปเป็นเฉลยเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกอับอายขายหน้าแก่เผ่าที่แพ้เพราะฉะนั้นไม่อยากได้ลูกสาวอยากจะได้ลูกชาย เอาไว้ไปสู้เอาไว้ไปรบเอาไว้ไปป้องกันอันนี้คือหนึ่งในจำนวนสาเหตุที่คนอาหรับสมัยนั้นไม่เอาลูกสาวมีลูกสาวแล้วกลายเป็นความอับอายขายหน้ากลายเป็นความอัยยศของวง์ตระกูลถึงขั้นฆ่าลูกสาวนะฝังดินทั้งทั้งที่ยังเป็นเป็นวัยอิสลามอูดะจุสัลาจารึกเอาไว้พฤติกรรมของคนอยวกมุสริน ว่าว่าอิดลมาอูดัุสุอิละมีความผิดอะไรที่ลูกลูกผู้หญิงเหล่านี้จะต้องูกฝังทั้งเป็นในสมัยายาเฮเละเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยไม่ชอบลูกสาวแต่แปลกอด่ดูความดูความขัดแยง้งย้อนแยง้งตัวเองไม่ชอบลูกสาวแล้วโยนไปให้ใครโยนไปให้อัลลอฮ์ลาอัลลอฮลาอัลลออลล์ม่่อามิตาขดามิมยล خ ก ق ب ن ا พวกนี้เนี่ยอ้างว่าอัลลห์นี่มีลูกสาว <c oughs> วะอัลฟาคุมบิลบนิดแล้วยกลูกชายนี่ให้กับให้กับพวกเจ้าเข้าใจไหมครับลูกสาวเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองเป็นของอัลลอโยนให้อัลลอส่วนลูกชายเนี่ยโอเคมาเป็นของพวกเรานี่คืออกักรดัชไกมุชริกีนาอูบลลาฮิมินดาลทั้งทั้งที่คนเหล่านี้ไม่ชอบลูกสาวแปลกไหม นี่คือความความย้อนแยง้งไงบอกแล้วว่าย้อนแยง้งอาคิดด้าที่ปิดเพี้ยนเนี่ยมันจะแสดงถึงความย้อนแย้งในตัวมันเองตอนแรกพวกเขายอมรับว่าอัลลอฮาเป็นผู้สร้างแต่ไม่ให้เกียรติอัลลอฮฺยอมรับว่าอัลลอฮฺสร้างฟ้งาและแผ่นดิตไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์ด้วยกันไม่เคารพพระเจอัลลอฮ์ยังไม่พอยังโยนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบให้กับอัลลอฮ์อีกเพราะว่าลูกสาวสําหรับตัวเองเนี่ยเป็นความอัปยศอย่างใหญ่หลวง ยังไงและถ้าบุชร์อะหะดูฮ์บ um ์บ um> ีมาบาร์บะลิลรมานมาซแล้วมีใครก็ตามที่มีคนมาแจ้งข <Yes ่าวดีแก่พวกเขาว่าเจ้าได้ลูกสาวแล้วมาบารบะลิลรห์มานิมาซาและหมายถึงว่าสิ่งที่พวกเขาเอาไปโยนให้กับ Allah เนี่ยถ้าสมมุติมีคนมาแจ้งข่าวดีเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยว่าตัวเองได้ลูกสาวเหมือนกับที่ตัวเองมอบให้กับ Allah เนี่ย ด้วยความกล่าวอ้างเท็จด้วยความอะไรก็เรียกนะความน่าเกลียดที่ไปพูดอย่างนี้กับพระรัตน์ละถ้าสมมติมีคนมาแจ้งข่าวให้ตัวเองคลอดได้ลูกสาวนะเป็นยังไงครับวลวจุหูมุสวดะหน้าดำคร่าเครียดมาตันติด้วยความที่ไม่เอาไม่อยากได้ลูกสาววลัยอาตุบิลละตาฮาลวาลาโควะต์อิลลาบิลละ ว่า إذابش ีร์อะห์ดฮฺบมาดราบะลิลรฮฺมานีมาซาเละนะพี่สาวเรานะคณะที่ไอ้ครบางคนในหมู่งฟกเขาได้รับข่าวอย่างเดียวกับที่พวกเขากล่าวถึงพระผู้ทรงกรุณาไปหน้าของพวกเขาก็จะหมองคําดํางคล้ำเครียดเลยด้วยความไม่ด้วยความโกรธ ด, ด้วยความอับอายด้วยความอับอายดวยควว่าหัวแก่ซีและกัดฟันเหมือนกับโกรธมากจนกระทั่งต้องกระนับให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองกําลังกําลังโกรธอยู่ ลาอิลลฮ่อิลลัลลอฮนี่คือ jahiliyah ครับ jahiliyah อคิดะนในสมัย j a h i l i ย a h ตัว อ, อย่างนี้ผมไม่อยากจะไม่อยากจะแตะเรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรเอามาเปรียบเทียบกับสังคมในยุคนี้ให้พี่น้องได้ไวิเคราะห์กันเองก็แล้วกันในสมัยอดีตนั้นเขาไม่เอาลูกสาวแต่สมัยนี้บางทีลูกชายก็ไม่เอา ไม่ใช่เฉพาะลูกสาวลูกชายบางทีไม่เอาสักลูกกันอะทิ้งตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เกิดเนะอาดุบิลลัพให้มันตายเลยแล้วพอเกิดมาบางทีไม่ใช่พ่อแม่ที่ไม่เอาตัวคนเราเองนี่แหละก็ไม่เอาเป็นผู้ชายอยู่ดีๆไม่เป็นผู้ชา ย, ยาจะเป็นอีกเพศนึ่งไอ้ที่เป็นผู้หญิงอยู่ดีๆก็ไม่อยากจะเป็นผู้หญิงอยากจะเป็ น, อ, ปนอีกเพศนึ่งสับสนปนเพศกันหมดเนะอาดุบิลลัพให้มันต า, า, า, า, า, า, ายเลยละฮะอัลลอฮฺเตาละหัวใจละ ละฮาวะละโผตะอลเบลลเพราะฉะนั้นพวกมุสลิมฟังไปก่อนนะครับว่าพฤติกรรมของพวกมุสลิมโดยอาติได้ที่ปิดกี้นเนี่ยทให้เกิดพฤติกรรมพวกนี้แล้วแต่อยังเพิ่มเติมอีกอวมันยุนชอฟิลิลยวะฮวฟิลซาม์มูบิลนี่เป็นคนลักษณะของเพศหญิงนะครับ ที่คนเหล่านี้ดูถูกอวมันยุนัชอุิลเฮเลีหมายถึงผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ไหนครับเติบโตขึ้นมาด้วยคนรักสวยรักงามเฮเลียก็คือเครื่องประดับโดยธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยชอบสวยชอบเรื่องเครื่องประดองประดับชอบแต่งตัวชอบอะไรพวกนี้เป็นเป็นเพศที่บอบบาง อ่เป็นเพศที่ต้องได้รับการสะนุถนอมซึ่งคนอาหรับนี่ไม่เอาไม่เอาแต่เวลาที่ตั้งลูกตัวเองเนี่ยสังเกต ด, ดูนะคนอาหรับสมัยก่อนเวลาที่เขาตั้งชื่อลูกตัวเองเนี่ยเขาจะตั้งให้มันโหดโหดเขาจะไม่ตั้งชื่อยาสมินไม่มี <laughs> มันมันมั น, ม, นมันดูอ่อนเกินไปหรือชื่อสังเกต ด, ดูอาสันเดแะแปลว่าอะไรอาสัน สิงโตาหัสรหัสก็แปลว่าสิงโตกลบมีนะชื่อกลบก็มีนะสมัยก่อนวนนี้กลบหาวไร่าวสุนัข่าสุนัขเลยฟรอะมักจะเอาชื่อที่มันโหดโหดเอาไว้คู่คู่ต่อสู้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนกับชื่อที่พ่อตั้งขึ้นมาจริงๆคือมันวัดกันด้วยความแข็งแกร่ง สมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงนี่ไม่เอาเลยไม่เอาผู้หญิงเลยผู้หญิงอยู่เฉยๆอยู่แบบอยู่กับเครื่องประดับอยู่แล้วเวลาทะเลาะกันเวลาไปสู้กับใครก็สู้ไม่ไหวสู้ไม่ชนะว่าวัวฟิลคลซามีใครร่วมมือย่าว่าจะไปตบตีเลยแม้กระทั่งจะเถียงกันเนี่ยก็เถียงไม่ขึ้นนี่คือโดยธรรมชาติของผู้หญิงมันเป็นอย่างนั้นแล้วพวกผู้ชายกินก็คือนี่คือสภาพที่ไม่เอาสุดท้ายไปยังไงอยู่ในกับรัฐบาลา เป็นไปได้เด้อลาฮวลาวลาออลลบมลยังไม่พอนะยังมีอีกวะลุลมะลาอิกะตันี่นฮุม ع ب ا ดุรหมานอินาซกเขาเขาลาวูลาอขึ้นมาว่ามลาอิกัดเนี่ยมาลาอิกัดนี่เป็นผู้หญิงบอกว่ามาลาอิกัดนี่เป็นผู้หญิงดูไอ้สิ่งที่ตัวเองไม่เอาเนี่ยโยนให้คนอื่นหมดเลย ความเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เอาถึงกระท่ว่าโยนให้กับอะลาดิกลโยนให้กับอัลลอฮ์อัลฮ่าวล่าวล่าอุตตะอิลลามิลลาห์นะว่ากะเอาละมาเ ล, relief, Clone, ลิกกันที่ั่นหรือไม่ผ้ิันเป็นเพศหญิง อัลลอะลัตฮิาลฺก็เลยถามเขาถามพวกเขาว่าอาเชฮิดูขลกาห์ฮฺตอนเหล่านี้ดูหรือมามองเห็นหรือหรือมาแลมาเป็นพยานหรือตอนที่เราสร้างมาลายกัตขึ้นมาเนี่ยโอ๋เหล่านี้มาเห็นมาดูไหมหรือพวกเขาาเคยเห็นมาลายกัตตัวเป็นๆไหมถึงกล้า บ, บอกว่ามาลายกันเป็นเป็นผู้หญิงซาตุกตาบูชาฮฺดาตุฮฺฮฺไม่ว่าพวกเขาจะกล่าวอ้างว่าอย่างไรอัลลาฮะลัยฮิาลฺจะจดเอาไว้หมด การเป็นพยานของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพยานเป็นพยานเท็จเนี่ยรถอละไรจะจดเอาไว้วายุสอาลูนแล้วพวกเขาจะถูกสอบสวนไอวันอาคิรอหลักฐานของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้แล้วพวกเขาจะถูกเรียกมาสอบสวนเนี่ยคาพูดแต่ละคําพูดที่ออกมาเนี่ยูบ ล, ม, ลมันเหมือนกับนิยายประการพวกมุสริกมเนี่ยไม่ต่างจากพวกที่ชอบแต่งนิยายประการ ในอัพเตา ข, ของชาวโลกเนี่ยจะมีเรื่องเทพนิยายเนี่เยอะแยะไปหมดแต่ละชนชาติมีเรื่องเทพนิยายของตัวเองใช่ไหมครับลองไปดูพวกกรีกโบราณพวกโรมันโบราณมีนิยายมีเทพกี่องค์กี่แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีเทพเทพอะไรนะเทพสงครามเ ท, เทพนู่นเทพนี่บางทีใกล้ตัวเรามากเราอาจจะไม่รู้ตัว ชื่อเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์บางอย่างที่พวกตะวันตกเขาผลิตมาให้เราเนี่ยมีชื่อของเทพปีกโบราณอยู่ด้วยอ่ะลองไปหาดูไม่อยากจะบอกตรงนี้ไปหาดูเอาเองเนี่ยความเชื่อของพวกเขามีเทพผู้หญิงมีเทพผู้ชายแล้วก็ระวังเทพนี่ก็สู้กันเองไม่รู้สู้กันไปสู้กันมาเอามาจากไหนอัลลอฮฺ เอามาจากไหนคิดขึ้นมาเองนะครับอ่านี้ไปทางตะวันตกอ่ก็มีเทพแบบนึ่งพอมาทางนี้ก็มีเทพอีกแบบนึงมีเป็นหมืน่นหมืนเทพมีเป็นพันพันเทพแล้วตกลงเทพไหนเทพจริงเทพไหนเทพปลอมของตะวันตกหรือว่าของตะวันออกของจริงหรือว่าของที่เป็นของจริงอะ่ะแล้วเทพพวกนี้มันไม่สู้กันเองหรือฮึเนี่ย พวมุสลิกินถ้าเขามีความเชื่อแบบคล้ายๆกันเลยนะเอามาตาปั้นแต่งกันเองมาคิดกันเองมาทึกอักกันเองว่าอามาเลย์ ก, กันเนี่ยเป็นเพศหญิงอัลลอฮ์มีลูกคิดขึ้นมาเองเอามาจากไหนอา่า <c oughs> วก่ก็แล้วแล้วก็พอทึกทักกันเองแล้วก็มีการเคารพพักเดียวนี้ฉันบูชาเทพนี้ฉันเผ่านี้บูชาเทพนี้อีกเผานึงบูชาอีกเทพหนึง่งแล้วแต่ละเทพก็มีพลังของตัวเองแล้วสองเอาก็มา เหมือนเป็นตัวแทนของเทพสองตนแล้วก็มาทูกันเองระหว่างมนุษย์ด้วยในานามของเทพที่ตัวเองบูชาทุกเทศกันแล้วยังอ้างอีกว่าเราชาแต่เราไม่สั่งเพราะก็ไม่อิบานัดหรอกเราก็ไม่บูชาเทพพวกนี้หรอกอยังอ้างอีกว่าที่เราบูชามาลาย ก, กัดที่เราบูชาเทพพวกนี้นี่เพราะมีคำสั่งจากพระเจ้าให้เราบูชา มีคำสั่งจาก a า l a h ให้บูชา อ, าอ้างได้ยังไงเมลฮุมบิดาริกามินอัลมิที่อ้างมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อ้างโดยหลักฐานที่รับได้เป็นความรู้เป็นวิชาการใดๆทั้งสิ้นไม่มีหลักฐานไม่มีความรู้ไม่มีไม่มีไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงที่จะเอามาอ้างเป็นหลักฐานได้เลยสักเรื่องหนึ่งในสิ่งที่วกเงเกล่าวอ่ะ อินฮุมอิลลยครูซทั้งหมดทั้งปวงนั้นเกิดมาจากการที่บอกเขากุเรื่องเท็จขึ้นมาเอง س ب ح า ن อัลลอฮ์อ่นนี้คือพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอายะที่สิบห้าถึงยี่สิบตามที่เราได้อ่านในสุรุษุซุกมาดูทั f ี i ของอิมนุกะซีบสักนิดหนึ่ง น, นะครับเพื่อความกระจ่างมากขึ้นอิมนุกะซีบบอกว่าฟะจามะอฺ بينأنواع ข้อผิพวกมุชิกิเนียรวมความผิดพลาดหลายเรื่องมัมัดอยู่เป็นในที่เดียวกันอดฮประการแรกเลย ج ع ل ه ج ع ل ه م ج ع ل ه م ل ل ه تعالى ولدا การที่พวกเขาทุก้นมาว่า Allah تعالى นบีลู تعالى ก تعالى و ت ق د س و ت ن ز ه عن ذلك علوً كبيرا الله تعالى จากข้อกล่าวหาที่แรงนี้อันนี้คืออันหนึ่งอันแรกเลยปุกขึ้นมาอ้างขึ้นมาว่า a l มีบุตรมีลูกอซประการที่สองความผิดพ้านประการที่สอง دعوهن ن س ت البنات على البنين การที่พวกเขากล่าวอ้างว่าเราแต่ละเลือกลูกผู้หญิงเหนือลูกผู้ชายเลือกลูกผู้หญิงให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูกผู้ชายกับมนุษย์อันที่เป็นการกล่าวอ้างของพกผู้กุลศลิกีพวกเขากล่าวอ้างว่ามาล a i k a t ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดอัลละฮ์มีเพศเป็นเพศหญิง a ซ a l a s อ้บอร์เดตุมละหมการที่พวกเขาเหล่านั้นบูชาบูชาใครบูชาผู้คนหรือว่าบูชาสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างว่าเป็นบุตรก่อนเหรสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างว่าเป็นเทพเป็นเพศหญิงเป็นอิ ม, มาลาอิกัสเนี่ยบูชามาลาอิกัสเหล่านั้นนะมาอาซาลิกคุลลูบิลาดารีไม่มีหลักฐานใดๆที่บอกให้พวกเขาบูชาแต่ก็คิดขึ้นมาเอง ولا برهان ولا إ ل من الله عز وجل م ม่ม ي การันยัดได้ดายต้นซินเจ้าลอสุมะนาวทั่วเละบัล بمجرد الآراء والاهواء والتقليد للأسلاف والكبار والأباء و ا ل خ ط في الجاهلية ا ل ج جاهلية تلجأ อยากจะอยากจะบูชาทั ก, ทกขึ้นมาเองอน่าจะโอเคน่าจะมีพลังน่าจะมีอำนาจหรือไม่ก็เอามาจากประเพณีดั้งเดิมที่ปู่ย่าตายายบอกเล่ากันมาแต่ไม่มีหลักฐานทางวิชาการไม่มีอะไรที่รับได้ที่บันทึกเอาไว้ที่สามารถเอามาอ้างอิงได้อย่างถูกต้องแต่อย่างใดและอันที่สี่อัลลาบาะข้อผิดพลาด พวกมผกมุสลิม anticipate ขึ้น احتجاج ของพวกเขาในรายงานของพวกเขากี่ยกการที่พวกเขาอด้รันการตัดิใจ่เนผูร่วมงาลลองพริเจ้าขอบคุณพระแล้าผู้่วมงานของพเจ้าถ้าพะเจ้าไม่ต้องการเราเรา็นผู้ร่วมงานสับสนุนไหมย้อนเยงไหม ชูริกกับ Allah แล้วอ้างว่าที่เราชูริกกับ a l ะ a h เนี่ย Allah ตาลากาหนดให้เรารชูริกเข้าใจไหมที่เราเคารพบูชามาละกัดเนี่ยถ้า Allah ตาลาไม่บอกให้เราไม่กตตําหนดให้เราว่าเคารพบูชามาละกัดเราก็ไม่เคารพบูชาไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกอดารที่ล l l a h ตาลากาหนดขึ้นมาหนักหนามากครับสติปัญญาของคนกลุ่มนี้นะอูซุบิลลาให้มินตาริก ว่า ل ล้วในสมัยนี้ยังมีอีกไหมสติปัญญาแบบนี้แค่ยังมีอยู่แสดงว่าเป็นมารสเป็นมรดกตกทอดจากสมัยมุสลิมินในสมัยจ اهل ีย์องค์ท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอุบิลลามนะฮละวลาฮอลลอะลลอฮฺะอะอัลลอฮฺลลลอฮและอัลลฮละอัฮฺแลอัลอะฮลัะ Allah Taala พวกเขาเนี่ยเป็นคนที่โง่เขลามากที่เอาการยกอ้างตอดาร์หรือว่าการกาหนดของ Allah s u n Taala ไมาใช่ในกรณีนี้เพราะว่า Allah เนี่ยอันการ a l อันการปฏิเสธอย่างแข็งขันมากเรื่องของการเชริกพระองค์ส่งรซูลมาทาไมถ้าพวกมุชรินบอกว่าที่เราเคารพบูชารูกเจวิตทั้งหมดของเราเนี่เป็นเพราะกาหนดของ Allah s u b h a u Wa Taala เราสั่งาสนบีมุฮัมมัดมาทำไเขา่ล่าสนบีมุฮัมมัดมาบอกอะไรไม่ได้มาบอกว่าหยุดชีริกไม่ใช่หรือมุฮัมมัดมาบอกว่าทิ้งรูปปั้นเหล่านี้ไม่ใช่หรือเ้ามาอ้างว่าเราสั่งอย่างไรในเมื่อส่งรอซูลมาเพื่อที่จะลบล้างชีริกออกไปจากสังคมจากประชาชาติจากมนุษย์ทาชาดนุ้บิลลาฮิมินตล เพราะฉะนั้นมาละฮุบิซาลิกามินเอลมิสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างทั้งหมดนั้นไม่มีความถูกต้องแต่อย่างใดไอ้มาดิส حة ตินมากวาลูวูอตตจูบิฮีอินฮุมอิลลายัครุซูลไอ้ยัคริบูนะวัยตะเกววานการที่พวกเขากล่าวอ้างเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการโกหกเป็นการกล่าวกุขึ้นมาอย่างเช่ ตาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พวกเรายลองจินตนาการดูสักหน่อยหนึ่งลองจินตนาการย้อนกลับไปในสมัยของทนบีสัลลัลลอฮ์อะลัยฮิสซาลาฮฺสังคมที่เรียกว่าสังคม j ฮ h i l i y a h คำว่า j ฮ h i l i y a h นี่แปลว่าอะไร jahiliyah นี่มันครอบคลุมเรื่องของการไม่รู้เรื่องของการไรอารยธรรม แล้วมันแปลกมากตอนนั้นตอนที่ยังไม่มีรอสูลุลลอฮอลลัลลอฮสแลมยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยประเทศรอบข้างเนี่ยเป็นประเทศที่มีอรารยะทั้งหมดเลยนะมีแต่อารับกระจุกตัวอยู่ตรงกลางนิดหนึ่งที่ไม่มีอรารยะรรมรอบข้างคือใครสองอมหาอำนาจใหญ่ในสมัยนั้นในสมัยแรกสองมหาอำนาจใหญ่คือ ทางฝั่งตะวันตกก็คือมหาอำนาจโรมันเจริญเจริญมานานมีกษัตริย์มีหัวเมืองมีอิทธิพลมาจนถึงเอธิโอเปียจนถึงยามันจนถึงประเทศเยเมนกษัตริย์อบาชแล้วก็อับราฮัอับราฮัที่ยุกตองทัพช้านมาเนี่ยนับถือศาสนาอะไร นาโซโรเป็นอิทธิพลที่มาจากเอธิโอเปียอาณาจักรของโรมันเนี่ยขยายอีธิพลมาถึงเอธิโอเปียแล้วข้ามทะเลมาถึงประเทศเยเมนเป็นมาหาอำนาจทางฝั่งตะวันตกในขณะที่ฝั่งตะวันออกมีมาหาอำนาจเปอร์เซียฮาริซีใช่ไหมครับเหลือใครที่อยู่ตรงกลางเป็นพวกยาเฮลเป็นพวกเถื่อน อยู่กระจุหนึ่งพวกไหนพวกอาหรับไม่มีใครอยากได้โรมันก็ไม่อยากได้เปอร์เซียก็ไม่อยากได้เป็นพวกกลุยในทะเลทรายใหญ่เลยถ้าไม่ใหญ่เลยจริงๆจะฆ่าลูกได้ยังไงจะฆ่าลูกสาวเป็นๆได้ยังไงถ้าไม่ใหญ่เลยจริงๆหญ่เลยสุดๆเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่อัครดยุกพวกนี้มันจะมันจะสับสนย้อนแย้งปนปว น, ปน ไปหมดุษย์เล่าละ سبحان a l l a เหมือนกับว่า Allah س ب ح ه และต้องการให้มนุษย์โลกได้ประจักษ์ว่าวายุของพระองค์เนี่ยเปลี่ยนสภาพนีได้ทำไมรีซาละสุดท้ายของ Allah ไม่ไปลงที่โรมันทำไมทำไมรีซาละสุดท้ายของ Allah س ب ح ا ن ละไม่ไปลงที่เปอร์เซีย แต่กลับมาลงในขุมที่มันมืดปิดเป็นขุมใหญ่เยอ่ะเพราะต้องการที่จะพิสูจน์ให้มนุษย์เห็นว่าไอ้ขุมที่มันดํามืดใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันสามารถที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวาหูของ Allah سبحانه และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่วาหูมากีปีท่าสมุทรอาหรับเปลี่ยนจาก หลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนจากหลังมือเพราะว่าหลังมือมันดับเะอันหน้ามือมันขับ <c oughs> เลี่ยนส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเราเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนจากยาเฮเลียเปลี่ยนจากสถานที่ที่ดามืดไม่มีใครอยากได้กลายเป็นสถานที่ที่กระจายแสงสว่างแห่งกิายัตไปยังมนุษยชาติทั้งโลกพิสูจน์จริง Rasulullah ﷺ ได้พิสูจน์ให้มนุษยชาติเห็นแล้วว่าท่านกำเนิดมาในจุดที่ดมืดด้วยแต่ด้วยวายูที่เป็นแสงสว่างจากอัลลอฮุบฮานาท่านได้เปลี่ยนคาสมุทรอาหรับจากสภาพยสุดๆไปสู่นูรได้ยางเป็นที่ประจักษ์แก่สายตามนุษย์โลกทั้งหมดมุสลิมยอมรับ ไม่ใช่มุสลิมยอมรับทุกคนยอมรับหมดว่าอิสลามได้นําอะไรมาให้กับมนุษยชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นวายูเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นสุร a t u ุ z u k h r อัลลอะลัยฮิสซาบอกแล้วแม้ว่าพวกนี้จะไม่เอาพวกมุชลิมกินเอาไหมวาฮยูของอัลลอฮฺตอนแรกไม่เอาแต่อัลลอฮฺอะลายฮิสบอกว่าพระองค์จะไม่หยุดในการประทานวายูลงมาเพราะสุดท้ายวาฮยูที่พระองค์ประทานลงมาเนี่ยมันจะมาเปลี่ยน ถ้าคนรุ่นแรกไม่เอาคนรุ่นต่อไปเอาและสุดท้ายเป็นยังไงเปลี่ยนจริงๆปฏิรูปสังคมอาหรับนําความเจริญมาให้กับมาดีนะนำความเจริญมาให้มาให้กับมักกะนำความเจริญมาให้กับคนอาหรับที่เคยกลายที่เคยเป็นคนชั้นต่ําในสมัยนั้นยกสูงขึ้นจนกระทั่งสะเตือนถึงบรรลังอาณาจักรไบแซนไทน์สะเทือนถึงบรรลังของอาณาจักรโปรเซีย เพราะฉะนั้นเราอย่าไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอราบมาถึงโวดร้ายมันเถื่อนขนาดนี้เป็นตักดีรบขอ Allah s u b ห a n a h u า a t a a l เรียบร้อยละ ว, ว่ารีซาล่สุดท้ายสารสุดท้ายของพระองค์พระองค์ต้องการให้มันอุดขึ้นมาท่ามกลางหลุมอันหลุมดำอันมืดมิดของใหญ่เลียงในยุคมักกะนั่นเองแต่สุดท้ายตอนนี้ อัลฮัม <c> ด <oughs> ุลิลลาฮ์อิสลามขจรกระจายไปทั่วทุกมุมโลกจากจากมักกะฮ์จากศูนย์กลางที่ท่านนบีสุลลัลละฮ์สัลลัมกําเดิดขึ้นมาจากเมืองมัดีนเมืองของท่านนบีสุลลัลละฮ์สัลัมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอัลกุรอานมีอิทธิพลมีบทบาทขนาดไหนถ้าเราบอกว่าถ้าสมมติอัลกุรอานนี้ถูกประทานลงมาที่โรมันอาจจะไม่แปลก ที่ อ, อัลกุรอานจะมีอิทธิพลไปเปลี่ยนบางทีก็อาจจะอ้างได้ว่าคนมันจเจริญอยู่แล้ว อ, อัลกุรอานจะเป็นได้ขนาดไหนเชียวมันอาจจ ะ, จะเจริญ ม, มาจากวัฒนธรรมที่เคยมีมาก่อนอาจจ ะ, จะเจริญ ม, มาจาก อ, รอารยธรรมก่อนหน้านี้แต่เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นชัดเลยคนรับวะฮิยูก็ไม่รู้หนังสืออามัดสลาลลลอฮฺสัลลัลลอฮเป็นคนไม่รู้หนังสือพวกโครเรชก็ไม่รู้หนังสือมีคนที่รู้หนังสืออยู่ในโครเรชในมักกะตอนนั้นไปถึงไม่ถึงยี่สิบคนอะ หรือยี่สิบคนกว่าๆเป็นไปได้ยังไงนี่คือความใหญ่นี่คือใหญ่เลี่ยอะของจริงแต่ถูกปรับเปลี่ยนและถูกเปลี่ยนแปลงถูกปฏิรูปถูกปฏิวัติด้วยมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมผ่านวุฮัยยุทีลลอฮฺประทานลงมาในอัลกุรอานของพระองค์นั่นเองอ่าอาจาะย์นั้นอ่าได้แล้วนะครับวันนี้เราวิเคราะห์กันประมาณนี้ให้เห็นสภาพว่า พวกมุสลินใช้ชีวิตกันอย่างไรมีความสับสนย้อนแย้ง yeah. ในเรื่องพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไรอัคเเดห์เป็นอย่างไรอิบาดาห์เป็นอย่างไรและสภาพสังคมเป็นอย่างไรและสุดท้ายพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงตามวะฮิยุมาลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะลาเดี๋ยวอบัติารณ์นะยังไม่หมด <laughs> เรื่องราวความย้อนแยง้งความสับสนของพวกมุสลิมีนยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราแต่ลาจะได้อธิบาย นะครับเราจะได้เรียนจากอัลัยยะต์อื่นๆหลังจากนี้นะครับอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถึงสภาพของพวกมุสริกีนแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างยังไงในการถอดบทเรียนเพื่อเอามาใช้ในชีวิตเอามาใช้ในการขบคิดของพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันนะครับอัลลอฮฺตาอัลเลาลิมอัฟัควันัลลอฮฺะอยาคุมลิมาญูฮิบวยาร صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أ م الع ا يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات